ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อประโยชน์สุขแก่จิตใจด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดบุญและเกิดกุศล คำว่าบุญนี้หมายถึงความสุขใจเป็นผลที่เกิดจากการได้ทำบุญได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมส่วนกุศลนี้แปลว่าความฉลาดหรือความรู้ที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรม เรามาวัดเราก็ต้องการทั้งบุญและกุศลเราต้องการบุญคือความสุขใจความอิ่มใจและเราต้องการกุศลก็คือความฉลาดเพราะความฉลาดนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ mm hmm. เหตุของความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความมืดบอด คือความไม่รู้จริงความหลงความไม่ฉลาดนั่นเองถ้าเรามีความฉลาดเราก็จะสามารถระ ง, งับเหตุของความทุกข์ได้เมื่อระ ง, งับเหตุของความทุกข์ได้ผลก็คือความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาดังนั้นเราจึงต้องพยายามทำบุญกันให้มากๆด้วยวิธีการต่างๆ วิธีแรกที่เราทำกันง่ายที่สุดก็คือทานทานนี้แปลว่าการให้ให้ของต่างๆเรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานให้ธรรมะคำสอนของพ่พระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมทานการให้นี้จะมีอนิสง์ มากน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยสามส่วนด้วยกันดังที่ได้อธิบายไว้แล้วเมื่อข่าวที่แล้วแต่ยังไม่ครบดีวันนี้ก็จะอธิบายต่อความบริสุทธิ์คือต้องปัจจัยสามส่วนที่ประกอบการให้ทานนี้มีอยู่หนึ่งคือผู้ให้ สองสิ่งของที่ให้และสผู้รับถึงจะเกิดการให้ทานได้เป็นประโยชน์ขึ้นมาทีนี้จะเป็นประโยชน์คือเป็นบุญเป็นความสุขใจมากน้อยเพียงไรนี้ขึ้นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของผู้ให้ขึ้นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของของที่เราให้ และขึ้นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของผู้รับถ้ามีความบริสุทธิ์มากก็จะได้บุญมากถ้ามีความบริสุทธิ์น้อยก็จะได้บุญน้อยความบริสุทธิ์ของผู้รับก็อยู่ที่การให้ด้วยการไม่มีความปรารถนาที่จะต้องการรับผลตอบแทนจากผู้ที่รับ เช่นเราให้ของขาไปแล้วเราไม่หวังไม่ต้องการผลสิ่งตอบแทนจากผู้รับและเราต้องให้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ให้เพื่อที่จะมีเงื่อนไขเช่นให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญที่บริสุทธิ์ใจ การทำบุญบอยสุดใจนี้ต้องให้เปล่าเปล่าไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขอันใดมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความสงสารคืออยากจะให้ผู้ที่รับนี้ได้รับประโยชน์ได้รับความสุข ด, ดังนั้นเมื่อเขารับของเขาไปละของที่เราให้ไปแล้วเขาจะไปทำอะไรนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว แต่ถ้าเรารู้ในภายหลังว่าของที่เราให้เขาไปแล้วเขาไม่ได้เอาไปทําประโยชน์ทําความสุขให้กับตัวเขาเองแต่กลับไปทําโทษให้กับตัวเขาคราวหน้าเราก็ไม่ควรที่จะให้เขาเช่นถ้าเราให้เงินเขาไปแล้วเขาเอาเงินนี้ไปซื้อสุรามาดื่มแทนที่จะไป ซื้ออาหารซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็ไม่ได้เอาไปซื้อแต่เอาไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น mm. เช่นเอาไปเดิมโซรายาเมาหรือเอาไปเล่นการพนันหรือเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเรารู้อย่างนี้เขาต่อไปเราก็ไม่ต้องไปให้เขา เพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับเขามันเป็นโทษกับเขานี่คือความหมายของความบริสุทธิ์ของผู้ให้เราต้องอย่าไปหวังอะไรจากผู้รับเราต้องการจะช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขบ้างแต่ถ้าเขาไม่รู้จากวิธีให้ความสุขกับเขา เขากลับไปทำให้ตัวเขาต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนเราก็ไม่ควรที่จะให้เพราะเป็นการสนับสนุนให้เขามีความทุกข์มากขึ้นนั่นเองนี่คือความหมายของการทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับส่วน ของที่เราให้นี้ก็จะเป็นของที่บริสุทธิ์คือปราศจากโทษแปลว่าของที่เราให้ผู้อื่นนั้นไม่ควรที่จะทําให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นเราไม่ควรให้สุรายาเมาหรืออาวุธต่างๆอาวุธปืนของที่จะไปทําให้เกิดโทษกับผู้อื่นได้ถ้าเราให้สุราเอาไปดื่ม เขาก็จะเดินแล้วเกิดอาการมึนเมาแล้วก็ไปทำร้ายผู้อื่นต่อไปเช่นสามีที่ชอบกินเหล้าเมายาแล้วก็ไปทำร้ายภรรยาบุตรธิดาของตนเนื่องจากไม่มีสติที่สามารถจะควบคุมบังคับให้อยู่อย่างปกติได้นั่นเอง พอดูมสุราแล้วเกิดอาการมึนเม า, าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นม า, าก็จะต้องไปทำร้ายผู้อื่นดังนั้นสิ่งของที่เราให้นี้ก็ต้องระมัดระวังว่าเราให้อะไรแก่ผู้อื่นสิ่งของบางอย่างนี้ในตัวของมันเองไม่มีคุณไม่มีโทษแต่อยู่ที่ผู้รับ เราก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าผู้รับนี้สามารถที่จะมีปัญญาเอาไปใช้ให้เกิดคุณได้หรือไม่เช่นให้เงินทองถ้าเราให้เงินทองกับผู้รับไปถ้าเขาไม่ฉลาดเขาก็จะเอาเงินทองนี้ไปทําโทษกับตัวเขาเองไม่ได้เอาไปทําประโยชน์แต่ถ้าเขาเป็นคนฉลาด เราเอาเงินทองไปให้เขาเขาก็จะเอาไปทําประโยชน์ดังนั้นเวลาให้เงินทองนี้ก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ได้ให้ไปโดยที่ไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะจะเกิดโทษกับผู้รับได้ถ้าผู้รับไม่ฉลาดแทนที่จะเอาไปทําประโยชน์ก็จะเอาไปทําโทษได้เช่นให้เงินลูก ไ ป, ไปเรียนทั้งสือแต่ลูกกลับหนีโรงเรียนเอาเงินนี้ไปเที่ยวถ้าให้แบบนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์จะเกิดโทษกับลูกดังนั้นเราต้องรู้ว่าผู้รับนี้เขาควรจะรับอะไรจากเราถ้าเขาไม่ควรที่จะรับเพราะถ้าเขาไม่ฉลาดเขารับไปแล้วเขาาเอาไปทำโทษ มันก็ไม่ดีเหมือนกับการให้มีดถ้าผู้ที่รู้จักใช้มีดก็สามารถเอามีดนี้ไปทําประโยชน์ได้เอาไปตัดต้นไม้ได้เอาไปตัดไม้ตัดฟืนเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ฉลาดก็อาจจะเอาไปฟันคนอื่นไปทาร้ายผู้อื่นได้ดังนั้นสิ่งของที่เราให้ เราก็ต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วนั้นจะเกิดคุณหรือเกิดโทษสิ่งที่ไม่เกิดโทษก็เช่นพวกปัจจัยสี่เช่นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งหง่มเช่นเวลาที่มีเกิดภัยต่างๆแล้วมีคนเดือดร้อนไรที่อยู่อาศัย ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีอาหารรับประทานไม่มียารักษาโรคเราก็หาสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปแจกจ่ายอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยถ่ายเดียวไม่เกิดโทษแต่ถ้าแจกเงินนี้ไม่แน่เพราะบางทีเงินนี้เขาอาจจะไปซื้ออย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ ไปซื้อสุรายาเมาไปซื้อยาเสพติดมาเสพนี่คือเรื่องของความบริสุทธิ์ของของที่เราให้คือต้องไม่ไม่เกิดโทษต่อผู้รับและของที่เราให้นี้ก็ต้องเป็นของที่เราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์คือด้วยวิธีสุดจริตเช่นเราทํามาหากิน มีเงินเดือนมีไรายได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วเาเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวซื้อของมาให้ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นของที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นของที่เราได้มาด้วยการไปทําผิดกฎหมายหรือทําบาปอย่างนี้เรียกว่าเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ทําไป ก็ได้ได้ประโยชน์ได้บุญน้อยกว่าได้บาสนั่นเองทําเช่นเราไปลักขโมยเงินมาไปช่อโกงเงินมาแล้วก็เอาเงินนี้มาทำบุญบุญที่เราได้รับนี้ไม่คุ้มกับบาปที่เราจะต้องเอาไปใช้ชดใช้ต่อไปถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะทำบุญเราไม่มีทรัพย์พอที่จะทำบุญ ก็ไม่เป็นไรอย่าไปรักขโมยเงินมาแล้วเอามาทำบุญอย่างนี้ได้ไม่คุ้มเสียเพราะบุญที่ได้มานี้มีกำลังมีผลน้อยกว่าบาป ท, ที่เราจะได้รับดังนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะทำบุญด้วยการให้ทานได้เราก็ไม่ต้องทา เราทำบุญอย่างอื่นได้เช่นนั่งสมาธิรักษาศีลก็จะได้บุญมากกว่าบุญที่ได้จากการให้ทานการให้ทานนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ยังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไระตายไปก็เอาไปไม่ได้ ก็ควรที่จะเอาเงินที่เหลือกินเหลือใช้นี้มาทําประโยชน์มาเปลี่ยนให้เป็นบุญเพราะบุญนี้จะติดไปกับเราหลังจากที่ร่างกายนี้ดับไปแล้วแต่ใจของเราไม่ได้ดับไปกับร่างกายใจเราจะมีบุญไปด้วยบุญนี้ก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตที่เราสามารถเอาไปกด ตามเครื่อง ATM ต่างๆได้ในพบหน้าชาติน้าเหตุที่ทําให้คนเราเกิดมาแล้วมีรวยมีจนต่างกันก็เพราะบุญที่ได้ทํามาในอดีตชาตินั้นต่างกันนั่นเองบางคนทําบุญมามากมาเกิดชาตินี้ก็ร่ำรวยมากบางคนทําบุญน้อยก็ร่ำรวยน้อยนี่คือ คือเรื่องของความบริสุทธิ์ของสิ่งของที่เราให้แต่ผู้อื่นเราต้องหามาด้วยความสุดจริญไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายถ้าเราไปมียชีพผิดกฎหมายค่ายาบ้าข้ายาเสพติดหรือเราไปลักขโมยของคนอื่นแล้วเอามาทาบุญอย่างนี้ไม่ควรทำการจะทำบุญให้ทาง น, นี้ ต้องให้ของที่เป็นของของเราเองเราถึงจะได้บุญอย่างเต็มที่ถ้าเป็นของคนอื่นเขาฝากมานี้เรารับมาได้ทำให้เขาได้แต่บุญนี้เป็นของของเขาบุญที่เกิดจากการให้ของนี้เป็นของเจ้าของของไม่ใช่ของคนที่นำมามาทำให้แต่คนที่นำมามาทำให้และนี้ จะได้บุญอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเช่นมีเพื่อนบ้านเขาไม่สบายไม่สามารถมาวัดได้แล้วเขาฝากของหรือฝากเงินมาทำบุญเราก็รับมาแล้วก็เอามาทำตามที่เขาบอกเจ้าของเงินเจ้าของขอ ง, ของเขาก็จะได้บุญ แต่เราไม่ได้บุญจากการให้ของนั้นแต่เราได้รับบุญจากการช่วยเหลือเขารับใช้เขาอันนี้เป็นบุญคนละชนิดกันแต่ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของการทำบุญว่าของที่เราทำก็ต้องบริสุทธิ์ อย่าไปหามาโดยที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันจะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณเกิดประโยชน์ส่วนปัจจัยส่วนที่สามที่สาคัญก็คือผู้รับของจากเราผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรานี้ก็มีมีส่วนที่จะทำให้บุญของเรานี้มีมากขึ้นหรือมีน้อยลง ถ้าผู้รับเป็นผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ทางกายวาจาและทางใจอนิสงส์จากการทำบุญกับผู้รับนี้ก็จะได้มากยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้อานิสงส์มากดังที่มีการเปรียบเทียบให้ฟังว่าทำบุญกับคนธรรมดาได้หนึ่งบาท ทำบุญกับคนมีศีลได้สิบบาททำบุญกับพระธรรมดาได้ร้อยบาททำบุญกับพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันได้พันบาทพระอริยเจ้าขั้นที่สองได้หมื่นบาทพระอริยเจ้ 3, 100, า, าขั้นที่สามไดแสนบาทพระอริยเจ้าขั้นที่สี่ไดล้านบาท ทำกับพระเจต ก, กับพุทธเจ้าได้สิบล้านทำกับพระอารหาาันตะสัมมาสามพระพุทธเจ้าได้ร้อยล้านผันานล้านเพราะความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของบุคคลเหล่านี้มีความแตกต่างกันความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากกุศลนั่นเองคือความรู้ความฉลาด ผู้ที่มีความรู้ความฉลาดน้อยก็จะไม่สามารถรักษากายวาจาใจให้สะอาดได้มากกายวาจาใจก็จะฉลาดน้อยเพราะยังไม่รู้ว่าการทําบาปนี้เป็นโทษเป็นต้นจึงไม่สามารถรักษาศีลได้แต่คนที่มีความฉลาดจะรู้ว่าการทําบาปนี้เป็นโทษ ก็จะพยายามไม่ทำบาปก็พยายามรักษาศีลรักษาศีลได้มากก็จะสะอาดมากขึ้นแล้วก็มีความรู้ที่รู้ว่าการที่จิตใจจะมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้นต้องเป็นจิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่มีสมาธิเป็นจิตใจที่มีปัญญา ถึงจะสามารถทำให้จิตใจนี้ไม่มีความทุกข์ได้เลยนี่คือกุศลผู้ที่มีกุศล ม, มากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระประเจ ก, กับพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอาหารหันตสาวกรองลงมาก็คือพระอาาริยสาวกขั้นต่ำลงมาตามลำดับจนถึงคนธรรมดา มีกุศลคือความฉลาดไม่เท่ากันแตกต่างกันเวลาที่เราไปทาบุญกับบุคคลเหล่านี้เราก็จะได้มีโอกาสสนทนากับเขาเราก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนของเขานั่นเองถ้าเรามีโอกาสได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอาจจะ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยในขณะที่ฟังเพราะมีเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพระพุทธกาลนั่นเองมีบุคคลที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังมีเป็นจำนวนมากนี่คือความหมายของบุคคลที่เราทําบุญด้วยให้ทานด้วย ว่าเขามีความรู้ความสามารถมีความฉลาดแตกต่างกันไปและเราก็จะได้รับผลจากบุคคลเหล่านี้แตกต่างกันไปเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเรียนหนังสือกับครูระดับประถมเราก็จะได้ความรู้ในระดับประถมถ้าเราเรียนหนังสือกับครูระดับ มัธยมเราก็จะได้ความรู้ระดับมัธยมถ้าเราเรียนหนังสือกับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลายัยเราก็จะได้ความรู้ระดับปิญญาตรีโทเอกตามลาดับเ <Yeah. S 1> พราะผู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้สนทนาด้วยนั้นมีความรู้ไม่เท่ากันนั่นเองมีความรู้มากน้อยต่างๆกันไปพระ ก็มีความรู้แตกต่างกันไปพระธรรมดากับพระอริยเจ้านี้มีความรู้ไม่เท่ากันพระอริยเจ้าขั้นต่างๆก็มีความรู้ไม่เท่ากันท่านก็จะสอนได้เท่าที่ท่านรู้เท่านั้นเองท่านจะไม่สามารถสอนมากกว่าสิ่งที่ท่านรู้ได้ดังนั้นจึงมีคำถามที่ถามว่าเวลาทำบุญแล้วนี้ต้องเลือกคน ผู้รับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขใจนี้ไม่ต้องเลือกผู้รับก็ได้ขอให้เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและของที่เราให้นี้ขอให้เป็นของที่บริสุทธิ์ก็พอเราก็จะได้รับความสุขใจอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราต้องการกุศลที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้สนทนา จากผู้รับอันนี้เราต้องเลือกคนถ้าเราไปทาบุญกับครูระดับปฐมเราก็จะได้ความรู้ระดับปฐมถ้าเราไปทาบุญกับพระธรรมดาเราก็จะได้ความรู้ระดับธรรมดาแต่ถ้าเราไปทาบุญกับพระอริยเจ้าเราก็จะได้รับธรรมะระดับพระอริยถ้าเรา ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ความรู้ระดับของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงนี้นี่คือผลที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญที่มีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เราไปทําบุญด้วยนี้ก็มีความดีความชั่วไม่เท่ากันถ้าเราทําบุญกับคนดี ก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมคนดีคนดีเขาก็จะไปทำดีต่อไปคนดีย่อมไม่ไปทำทาความเสียหายให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมแต่คนชั่วนี้จะไปทำความความเสียหายให้แก่สังคมเช่นถ้าเราไปทำบุญกับพวกโจรผู้ร้ายไปส่งเสริมพวกโจรผู้ร้ายให้มาปล้นชาติของเรา ให้มาโกงกินชาติของเราโดยการเลือกตั้งเลือกคนที่ไม่ดีเข้าไปคนชั่วคนที่เรารู้ว่าเข้าไปแล้วก็จะไปโกงกินอย่างนี้<ม>ก็เท่ากับการส่งเสริมให้คนชั่วนี้มีอํานาจมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าเราเลือกคนดีเข้าไปทําหน้าที่คนดีเขาก็จะไปทําประโยชน์ เขาจะไม่โกงกินประเทศชาติเขาจะช่วยพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีดังนั้นการทาบุญต่อบุคคลเราจึงต้องเลือกถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประโยชน์จากผู้อื่น ทำบุญกับนกกับปลาก็ได้บุญเหมือนกันเช่นปล่อยนกปล่อยปลานี้เราก็ได้บุญคือความสุขใจเพราะเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนี้เราจะมีความรู้สึกสุขนั่นเองแต่เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากนกจากปลาแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทาน ที่มีความแตกต่างกันไปในองค์ประกอบของการให้ทานที่มีอยู่สามส่วนด้วยกันคือผู้ให้ของที่ให้และผู้รับถ้าบริสุทธิ์มากก็จะมีอนิสงส์มากถ้าบริสุทธิ์น้อยก็มีอนิสงส์น้อยคนบางคนนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการ ให้ทานที่ถูกต้องก็จะคิดว่าทำบุญกับใครก็ได้บุญเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าทำบุญแล้วอาจจะได้บาปก็ได้เช่นถ้าเขาไปเอาเงินไปโกงไปโกงเงินมาไปรักขโมยเงินมาเพื่อมาทำบุญแล้วทำกับใครก็ได้เขาก็จะได้บาปมากกว่าจะได้บุญหรือทำกับใครก็ได้เขาก็จะไม่ได้บุญ ที่เขาควรจะได้มากขึ้นถ้าเขาได้ทำบุญกับคนที่ฉลาดคนที่มีความรู้เขาก็จะได้รับความฉลาดได้รับความรู้ด้วยแต่ถ้าเขาไปทำบุญกับคนโง่คนไม่ฉลาดเขาก็จะได้รับความโง่ด้วยเพราะบางทีเขาคนโง่ก็จะสอนตามภาษาที่เขารู้นั่นเองเข <c oughs> าก็อาจจะสอนให้เรากโกงก็ได้สอนให้เรากโกหกก็ได้เพราะเรา เขาคิดว่าการโกงการโกหกนี้จะทำให้เจริญก้าวหน้าจะทำให้ร่ำรวยนั่นเองนี่คือเรื่องของการทำบุญเราต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้เวลาที่เราทำบุญถ้าเราอยากจะได้อ น, นิสงฆ์มากอยากจะได้บุญมากองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้คือผู้ให้ ของที่ให้และของที่และผู้รับนี้ต้องบริสุดธิ์บสุดมากเท่าไหร่ก็จะได้บุญมากเท่านั้นนี่คือเรื่องของการทำบุญให้ทานที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันอย่างสม่ำเสมอก็ขอให้พยายามทำกันต่อไปเพราะเป็นรากฐานเป็นที่ตั้งของบุญที่ ดีกว่านี้สูงกว่านี้ก่อนที่เราจะมีบุญอย่างอื่นได้เช่นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากการเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมเราต้องมีบุญที่เกิดจากการให้ทานก่อนเหมือนกับการสร้างบ้านก่อนที่เราจะสร้างบ้านได้เราต้องมีที่ดินก่อน ถ้าเราไม่มีที่ดินเราก็ไม่มีที่ที่จะสร้างบ้านเราต้องไปซื้อที่ดินมาก่อนเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วที่นี้เราก็จะสร้างบ้านได้บุญกุศลอื่นๆเช่นมรรคผลนิพพานนี้ซึ่งเป็นบ้านขอ ง, ของใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีที่สร้างบ้านนี้ก่อนเราต้องทำบุญให้ทานก่อนซื้อที่มาก่อน เมื่อเราทำบุญให้ทานแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องรักษาศีลเราก็ต้องนั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมและเราจะได้บ้านอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้มีไว้ครอบครองเป็นที่อยู่อาศัยที่จะปกป้องคุ้มครองใจของเรา ให้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ต่างๆให้อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเกิดจากการทําบุญให้ทานนี้เองอจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทําบุญให้ทานนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิพจิตรณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป